ทำเครือะไรสอ ง, งอันวันหนูบูเทสมันทเทอะไรสองวันวันจุตมาอะไรสองวันอาม่ครับเมื่อวานที่ห็ว่าสามาวที่วา่างๆเลยเมาหาครับมีผู้คนมากไหมล่ะ มากนพอมันไหลรวมลงลรวมรวมคราอาทั้งหลายก็มันรวมลงไปเรื่อยๆรวมรวมรวมหน่งว่าพันเรานี่ก็แย่อะไรย่เี้เหนื่อยพอและโอ้หมาชาทนเขาแสวงดีคนก็ก็ลังติดเนื่อติดตัวติดมั่งคนพร้อมคนกับ คาสิิ์ทำล้อมหน้าร้มหลังคาสิิ์เลนเนเื่องพิษดารเาแสดงขึ้นมาเรยเรื่ยเรื่องพิสดารเขาทำที่จะให้ต า, ามามจินเลนมน่คยมีพเนพิสดารด้ดูนี่ดูก็รู้ เดินไปไหนหลับตาอยู่มั้ก็ปิดไม่ให้รู้ไม่เลยรู้อยู่นั่นยอย่างนี้นวัดก็เห็นอยู่างนั้นรู้อยู่นั้นออกนอกวัดไปรู้ก็เห็นอยู่นั้นอกิเลสมันเต็มหัวใจของคนมันแสดงมาจากหัวใจคนทําไมคนนี้ใครจะดูมันทาไม่ดูมันมีร้อยตาพันตา พูดถึงหนึ่งมันก็ไม่เห็นถ้าดูหลับตาหนึ่งจะเห็นจะรู้แต่ใจไม่ได้หลับใจมันหลับเมือ่อไหรความรู้นั่นหละมันไม่ไหลับ ท, ที่มันหลับก็คือกิเลสติดมันไวน้กลางมันไม่เห็นดีร้อยตาพันตาแสนตามันก็ไม่เห็นถ้าไม่ใช่ตาปัญญา ตาและสีตาปัญญาอยู่ที่เฉยมันก็เหนเพราะสิ่งเหล่านี้มันสัมผัสสัมพันธ์ของความรู้อยู่ตลอดเวลาถ้ามีสติดูมันก็รู้ถ้าเนนเรานี่มันเหลวไหลก็มากนะเพียงผมไม่ค่อยสะดวกสบายก็แค่นี้ผมก็รู้แล้วอาบเท่นผ่านมากไปยอที่เล ย, อยของพระเนนเร า, าเราจะเข้าใจอย่ามาภูมิใจนะว่า วัดนี้ปฏิบัติเครื่องครับดีมันไม่เป็นท่าะนะานมันยิ่งเร็วลงเร็วลงให้เรามาค่อยสบายเท่าไหร่ก็ดูแลมันมค่อยสะดวกงันแต่ก่อ น, นที่เหล็กของในบนหัวใจของพระมันก็ยิ่งสะดวกมันสะดวกทุกอย่างมันแสดงออกมา แต่ตัวมันไม่รู้มันเพลินใจไปเรื่อยกิเลสมันจะด่กากันเพลินอยู่ที่กิริยาของพระนะแต่พระไม่รู้ที่ทำอะไรตอนนี้ดูทุก ว, วันก็ไม่รู้มองพระมั น, มน ขวางทันทีอ่ขวางตาลันทีดูไปที่ไหนดูไม่น่ามันโดนเนื้อมันน้ำมันเยอไหลอย่างนี้ไหลลงนี่ยังงกันนี่มันอดคิดย้อนหลังไปถึงสมัยพ่งแม่ครูจันไม่ได้ดังที่เคยคุ้นชินแล้วอกชัดแต่พ่อแม่ครูจันสุขภาพลดลงลดลงยิ่งป่วยยิ่งแล้ว เราคอยดูแลความสงบของวัดเพียงความสงบของวัดนั้นเราก็ อ, อกจะแตกยิไปว่าความสงบของหัวใจท่านนองเลยเป็นถึงในผู้กันนี่กําลังกําลังซ่อนเล็บหนะ้าถึงซ่อนน่มันก็พ้นออกมามันอดพ้นออกมาไม่ได้เล็บหนึ่งพอพ่อแม่ครูอาจารย์ต้องรับอันนี้มันแสดงเต็มเพลิงเหมาอนกันะใครมียังไงไ ง, ไงมันจะ แสดงล ว, วดลายให้เต็มที่ไปเลย น, นะมันก็เต็อยู่งๆนี่ก่อนเพียงแค่นี้แหละเราไม่อ็สะดวกสบายในปีนี้สุขภาพลดลงมากกว่าทุกปีถ้าดูผ้านเน็นอิจจะดูไม่ได้แนะันมันอะไรกัมเอทุกของนังเพลินนันงภูมิใจจะ่าของอยู่ มันไม่ทันปฏิบัติอย่างนี้นะไม่ทันกับกิเลสมันเยียบย่ำตกอดเวลาเ้าจะไปพูดอะไระขึ้นเวทีแล้วถึงจะได้ต่อยกันนั้นตายเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ขึ้นเวทีไม่ขึ้นเวทีนั้นเยียบย่าทำได้ตลอดเวลามันจะเอาอะไรไปต่อสู้ ก็จะมีกำลังไปขึ้นเวทีต่อคูอรามันแหลกอยู่ตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีนี่อยู่แล้วเป็นประจำพูดเสมอว่ากิเลสไม่มีอะไรแหลมคมกว่วากิเลสนาในสามแดนโลกฐานนี้มันถึงได้อยู่บนหัวใจของสัตว์จูงสัตว์ถ้าเกิดแก่เกิดตายพาดีใจเชียใจาให้โลกให้โกรให้หลง สแสดงราคาตันสามนมีอยู่ความโกรธตลอดเวลาบนญเอใจมันมันไม่แหลมคมขนาดนั้นใครควรจะรู้เรื่องของมันแล้วควรจะมีการคัดค้านต้านทา น, ท, า น, ท, านที่ต่อสู้กันมากหรือมันไม่รู้จะเอาต่อสู้อะไรมันไม่รู้เลยล้มไปก็ล้ม ไ, ไ, ไปทั้งสนุกตื่นขึ้นมาก็เหือเนีย มันก็ต่อยเอาต่อยเ้องเฮ้ยจะไม่ทร้าจะเอาท่าไหนสู้มันแม้แต่ท่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่มันก็เป็นท่าที่งัวเงียงัเงียมันไม่ใช่ท่าที่ปิดป้องไม่ใช่ท่าท่าตบต่อยนี่จะข่าหงายพ้องหงายท้องเอาท่าไหนท่าเหล่านี้มันจะท่าชนะท่าถูกนอกถูกนอกทั้งนั้นหรือว่าท่าแท้ธรรมดา นี่ที่เราทีอ่อ่อนใจขมุกเมื่นในยิ่งพิจนาที่ปฏิบปทาปฏิสตอ ข, ของดำเนินมาได้แล้วมันนี่ทำให้อิจนาลราอใจต่อการํำเนินของห น, นู่องเทว่น ตั้งท่าอยู่ขนาดไหนยังต่อยไป่ทั้งทั้งยังตั้งท่าคือลืมตาอย่นั้นมันใส่ลูกกาเลยลืมตาดูมันแต่ยังไม่เห็นมันมันต่อยลูกตาแตกไปแล้วเมื่ะกี้เล็ดเลี้ยงกันหน่อยนะอยากอยากจะสร้างเอาตั้งกติเกาดีให้ปัญญาให้ดีฟีดขึ้นเข่าฟีดขึ้นเข้ามันไปจะเห็นเวลาของมันบังบังเล็กใบบังเล็กน้อยบึงโดน ต่อไปก็มันยับที่ไหนมันทันเป็นทีเป็นทีเปทีสติปัญญาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเป็นทํามันเตียงไกลมากเพาหนักการปราบเลยถ้าไม่ใช่สติปัญญาแล้วมันไม่ทันเพียนก็ไม่ใช่เทียมแบบไหนอืมเอาอุตสาหอุตสาหแบบไหนสติปัญญาไม่มีเอาอะไรมาเป็นุความอุตสาหเนี่ย เอาแล้วเป็นความเพียรสอนแล้วสอนสอนวิิปัญญาหนู่เคยนะพอแล้วไม่ตืนถึงเดี๋นำมาพูดให้หูเพื่อนฟังสอนสอนชุดหน้าตรงนึงแทนสนามว่าการหู่น ไม่ว่าจะแสดงออกในแง่ใดุททีเล่นที่กินก็มีความหมายอยู่ในนั้นในนั้นในนั้นในบทที่เล็นมาบที่เล็นย้ยมีเอาอะไรมาพี่จินนาดีไม่ดีดก็ฟังทงอนโดยสวยไม่ได้คิดไม่ได้เป็นของคิดเริ่มหนั